เดี๋ยวตระกูลนั้นก็จะมาแย่งเดี๋ยวตระกูลนี้ก็จะมาแย่งแย่งาธาตุของเราแย่งร่างกายของเราเดี๋ยวก็จะทะเลาะ ก, กันอีกละ่ะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวขึ้นอีกอย่าเลยเราจะอมรณะภาพบนอากาศก็แล้วกันจากนั้นท่านก็เข้าเตโชเตโชธาตคือเตโชวาโยว่วา و, วงั้นเข้าวาโยาธาตวาโยาธาตจะคือาธาตลมท่านก็